เวลาเราพูดปฏิบัติธรรมเหมือนเรากำลังนั่งสมาธิแบบนี้ไม่มีความคาดหวังอะไรไม่มีความคาดหวังว่าครั้งนี้จะดีเหมือนครั้งก่อน หรือจะดีแบบที่เราคิดไอ้นั่นไม่ใช่การปฏิบัติธรรมไอ้นั้นเป็นการทำให้ได้อย่างที่หวังเป็นเส้นทางของอัตตา ทิ้งความหวังทั้งหมดมีหน้าที่แค่รู้ปัจจุบันธรรมตอนนี้เป็นแบบนี้จิตใจยังฟุ้งซ่านยัง กระวนกระวายยังยังไม่เข้าที่เข้าทางไม่ต้องเดือดร้อนมันเป็นอย่างนั้นของมันจำไว้ว่าจิตไม่ใช่ของเรา เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากที่พระพุทธเจ้าเหลือเป็นมรดกให้กับเราเหล่าชาวพุทธเหล่านักปฏิบัติธรรมจิตไม่ใช่เรามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมัน ไม่ต้องเดือดร้อนกับมันนักปฏิบัติจำนวนมากก็เข้าใจผิดมีความรู้สึกอยู่ลึกๆซ่อนอยู่ลึกๆมันอยากให้จิตมันดี อยากให้มันหลุดพ้นหาทางปฏิบัติธรรมหาทุกวิถีทางลึกๆคืออยากให้จิตนี้มันดีอยากจะช่วยให้มันหลุดพ้นเบื้องลึกของความรู้สึกแบบนี้คือรู้สึกว่าจิตนี้เป็นของเรา พอเราไม่หนักแน่นในหลักการที่พทธเจ้าสอนเร า, เาไว้เราก็ตกมาตายง่ายๆแบบนี้แหละทุ่มเทปฏิบัติธรรมแทบตายมีแต่อัตตามีแต่ตัณหามีแต่ความอยาก ยอมลำบากลกําบนปฏิบัติธรรมแต่แค่จิตมันผิดนิดเดียวเนี่ยมันไปคนละทางเลยเพราะฉะนั้น หลักต้องแม่นพระพุทธเจ้าเราก่อนปรินิพานสิ่งเดียวที่ท่านฝากเราทุกคนเอาไว้คือพระธรรมวินยัยคือหลักไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าหลักพระพุทธเจ้าให้หลักธรรมวินัยเป็นพระาศาสดาแทนท่าน เพราะนั้นอย่าพลาดจะทำอะไรจะฟังอะไรจะปฏิบัติแบบไหนอย่าให้มันตกหลักจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจำไว้ให้แม่น ไม่มีหน้าที่ช่วยให้จิตนี้หลุดพ้นจิตมันจะหลุดพ้นมันจะหลุดด้วยตัวมันเองเรามีหน้าที่สร้างเหตุไปเรียนรู้ไป การปฏิบัติธรรมเริ่มใหม่ทุกขณะจึงเรียกว่ารู้ปัจจุบันธรรม สังเกตมนจิตใจเริ่มคลายออกมันคลายเองเริ่มกลับมาอยู่ควาเนื้อกับตัวสงบลง ไม่เห็นว่ามันเป็นเองไม่มีใครเข้าไปทำอะไรทั้งนั้นการที่เราปฏิบัติแบบนี้อยู่เนี่ยคือไม่ทำอะไร สร้างเหตุได้ไงรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ไม่ตามเข้าไปในความคิดปรุงแต่งพ้นจากโลกของใครความคิดปรุงแต่งจิตใจมันก็สงบรังับลงสงบระงับลงเองมันก็เริ่มเป็นปกติ พอปกตินี่เราก็รู้จักปกติกับเป็นแบบนี้เราปฏิบัติแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าผลนั้นเกิดแต่เหตุ มีเหตุแบบนี้ก็เกิดผลแบบนี้เราเริ่มสังเกตจิตใจมากเข้ามากเข้าสังเกตร่างกายมากเข้ามากเข้าเราจะเข้าใจอ๋อผลก็เกิดแต่เหตุผลก็เกิดแต่เหตุตหตมีเหตุอย่างนี้ ผลจะเป็นแบบนี้มีเหตุอย่างนี้ผลก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยทั้งนั้นไม่มีความเป็นสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเลยการเห็นแบบนี้ได้นี่ถ้าอิงไปใน ตำลาหน่อยนี้เขาเรียกเป็นยานขั้นที่สองในยานสิบหกคือการเห็นเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งโดยที่ไม่มีตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเลย ผู้ที่จเจริญเห็นตามเป็นจริงแบบนี้ในคำทีนี่เขาเรียกว่าจูนละโสดาบันคือคนที่มีคติแน่แท้ว่าวันหนึ่งจะบรรลุโสดาบันได้ เพราะนั้นเราปฏิบัติธรรมเพื่อวันหนึ่งเราจะปิดอบายได้ น, นี้เราต้องรู้อะไรเป็นทางอะไรต้องเจริญ ยานที่สามเนี่ยเราจะเห็นการเกิดดับของสภาวะมันก็จะเป็นไปเองเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันก็จะเห็นเองยานต่อมาก็เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังเรือนักตามันก็จะเป็นไปเองก็เห็นเอง ไปเรื่อยๆนิพ่ทายานสังขารุเบขาญาณมันจะเป็นไปเองหมดไม่ต้องทำอะไรเลยปฏิบัติให้มันถูกก็พอมีหลักอย่าตกหลักก็พอ นไปถึงโคตรละภูยานโคตรละภูยานคือแปรแล้วยานข้ามโคตรคือข้ามโคตรจากกุตุชนเป็นอริยะชนในยานนี้ก็มีความน่าสนใจ เป็นยานข้ามโคตรไปสู่มรรคผลนิพพานมีทางเข้าสามทางทางที่หนึ่งเข้าทางมุมของอนิจจังทางที่สองเข้าในมุมของทุกขังทางที่สาม เข้าในมุมของอนัตตาชื่อบาลียากๆเข้าทางอนิจจังนี่เรียกอนิมิตตะวิโมเข้าทางทุกขังนี่อับปัิจิตตะวิโมเข้าทางอนัตตานี่ สุญญาตาอุโมสุญญาตาอุโมแปลว่าหลุดพ้น ด้วยการเห็นโลกธาตุนี้เป็นของว่างไม่ใช่ว่างเปล่าว่างจากความรู้สึกมีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเวลาเราพูดถึงสุญญาตาพูดถึงความว่างไอ้ที่เราเรา ชอบบอกว่าว่างว่างไม่ใช่ว่างสนุนยตาว่างแบบสนุนยตาคือว่างแบบนี้แบบสนุนยตาวิโมกไอ้เอพืที่พวกเราว่างที่ อธิบายกันนะเบื้องต้นเนี่ยว่างคือว่างจากกิเลสว่างจากราคะโทสะโมหะก็คือสภาพปกตินั่นแหละเรียกว่าจิตประพัดสอนนะ่ก็คือยังไม่มีกิเลส จ, จอนมานะ เวลาพูดว่างกันนี่ว่างเข้าใจกันให้ถูกสุญญตาวิโมกเนี่ยหลุดพ้นด้วยการเห็นเห็นโลกธาตุนี้ว่างจากความรู้สึกเป็นตัวตนบุคคลเราเขา ที่คำว่ามีแต่ไม่มีอำนี้แหละไม่ใช่เห็น บางอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่อีกอย่างยังเป็นตัวเป็นตนอยู่แบบนี้ไม่ใช่สุญญตาวิโมโกแบบนั้นเป็นสมาธิ เคยอ่านเจอหลวงปู่เทศพูดเรื่องเมื่อวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นสรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันในแง่ไหนคือเป็นแค่ธาตุธาตุสี ทำไมเห็นแบบนั้นได้เพราะขณะ น, นั้นจิตพลิกตัวออกจากสังขารหรือ เ, เห็นตามเป็นจริงได้ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีสูงไม่มีต่าไม่มีน้อยไม่มีมากไม่มีหญิงไม่มีชายเรียกว่าโลกธาตุทั้งหมดที่เห็นอยู่ หมดความเป็นตัวตนบุคคลเราเขาแบบนี้แหละสุญญตาวิโมกความอัศจ ร, ร์ ความเข้าใจจะเกิดขึ้นในใจว่าแท้จริงสปปรรพสิ่งทั้งหลายนี้ไม่มีความเป็นตัวตนแม้เพียงซักอนูเดียวเลย เราผ่านโคตรละภูยานนี้ไปมันก็เป็นยานแห่งมรรคแล้วก็ยานมัรคขยานผลละยานปัจเจเวขนายานไปเรื่อยก็เข้าถึงกระแสเ็าเรียกว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ ละสังโยชน์สามละสักกายทิฏฐิละวิจิกิจชาละสีละพ ต, ตาปรามากไม่เห็นมีละกิเลสสข้อใงเลยนึกว่าพระโสดาบันมีกิเลสเหมือนเดิมมีอัตตาเหมือนเดิมเข้าใจผิด พวกเราเคยได้ยินกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดคนโบราณพูดกันมานะไม่ใช่พูดเล่นอันนี้พูดตามตำราเลยพระเจ้าแจกแจงกิเลสไว้พันห้าร้อยข้อ พระโสดาบันคือผู้ที่ตัดกิเลสได้แล้วสามร้อยข้ออันนี้ในทางละเอียดพระสกิธาคา ม, มีเปรียบเสมือนโอ้ไม่ได้ตัดสังโยชน์อะไรเลยบอกว่ากิเลสเบาบางลงจริงๆแล้วตัดไปอีกร้อยห้าสิบข้อ คนเราตัดกิเลสได้สามร้อยข้อคิดว่าศัจรย์ขนาดไหนชีวิตพวกเราก็เหมือนต้นไม้เติบโต แตกกิ่งก้านใหญ่เล็กออกดอกออกผลผลิดอกออกใบไปเรื่อยตัวกิเลส ก, ก็ทำแบบนั้นวันหนึ่งเป็นพระโสดาบันก็เรียกเหมือนกับว่าแล้วก็ตัดแต่งกิ่งอะไรออกไปเยอะ ตัดไปเรื่อยอ่ะจนถึงสุดท้ายก็คือโค่นโค่นต้นมันเลยก็คือถอนรากถอนโคนก็คืออวิชาหมดเชื้อ แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นก็ปฏิบัติอยู่แค่นี้แหละจนไปถึงลากถึงโคลนมันก็ปฏิบัติอยู่แค่นี้แหละเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ เป็นความจริงที่เราหนีไม่พ้นแม้กระทั่งตอนที่จิตนี้จะข้ามโคตรยังต้องข้ามผ่านมุมของไตรละไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ หลวงปูเทพนี่ออกไว้มันจะแจ้งเขาเรียกว่าพระไตรลักษณ์นยานแจ้งแก่ใจตัวเองเรียกว่าประทับใจเลยละ เคยมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเจอพระรูปหนึ่งท่านก็เล่าให้ฟังตามประสบการณ์ของท่านโดยสรุปก็คือแบบเดียวกันท่านผ่านโดยสุญญาตาอุโมกเหมือนกันคือเห็นโลกาธาตุนี้ ทั้งโลกธาตุนี้ทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากความเป็นตัวตนบุคคลเราเขา สังเกตอันนี้เรานั่งนี้การหายใจเราไม่คงที่เดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าสังเกตว่ามันทำเองมันปรับเปลี่ยนของมันเอง ความคิดเกิดขึ้นอนี้รู้ทันบางทีความคิดบางอย่างเนี่ยมันไม่ทำให้เราทุกข์อันนี้เป็นตัวอันตรายที่สุดเราก็คิดไปเรื่อยอันนี้ต้องรู้ว่าเป็นความประมาท ต้องรู้ว่า น, นี่เป็นกับดักทำให้จิตมันอ่อนลงเรื่อยๆเพราะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะถ้าไม่ใช่เรื่องอะไรสำคัญรู้ทันอย่าตามเข้าไปในความคิดอย่าโดนหลอกไม่ทุกก็เลยคิดเอาคิดเอาอย่าโดนหลอกแบบนะั้น หาหลักการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีไม่เยอะมีนิดเดียวฟังกันมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็มีแค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมไม่มีอะไรใหม่หลักการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรใหม่มีแต่เรื่องเดิมๆไม่ใช่มี หาอะไรทําไปเรื่อยรู้สึกว่านั่งวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นก็ไม่เป็นไรรู้ตามเป็นจริง ไม่ต้องเปรียบเทียบวันนี้คนเยอะอาจจะมีคนดึงมีน เป็นเหตุปัจจัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตใจเป็นอย่างไรกไ็รู้เป็นอย่างนั้นอันนี้ปฏิบัติแล้ว ลองหายใจออกยาวๆทำรู้เนรู้ตัวจะชัดขึ้นจนหมดลมหายใจ เวท น, นาที่ร่างกายนี่ก็รู ũ, ้เฉยๆอย่าไปเป็นเจ้าของมันรู ũ, ้เฉยๆ สักว่ารู้อยากรู้เฉยๆทำไมต้องสักว่ารู้สักว่าเห็นเพราะมันจะได้แสดงไตรลักษ์ให้ดูในที่สุดแต่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปจ้องจะดูไตรลักษ์มันถ้ามันไม่แสดงเพราะเราแทรกแสงแล้วดี่จิตมันเห็นเองไม่ต้องยุ่งกับมันไม่ต้องทำอะไร ให้จิตมันได้ฟังทำรจิตมันทำเอง สังเกตลมหายใจเปลี่ยนอันนี้เห็นโอ้มันเปลี่ยนเองแลวนวปฏิบัติธรรมนวสภาวะที่ พวกเรามีกันเวทนาต่างๆทางกายทางใจพระอริยะก็มีเหมือนกันผลความต่างกันคืออะไรคือกิเลสตัณหาอยากเอาไว้หรือไม่อยากเอาไว้นี่คือความต่างกัน เรามีธาตุขันเหมือนกันแต่ถ้าเราฝึกให้ดีฝึกให้ถูกทางสิ่งที่พัฒนาก็คือความลดละไปของกิเลสกิเลสนั่นเองสร้างอัตตาขึ้นมา หมดกิเลสก็ไม่มีอะไรขับดันให้อยากหรือไม่อยากอะไร นั่งแล้วเคลิมไปแบบบางทีจิตมันพักอะ่ะมันก็เคลิมได้บ้างไม่ใช่ปัญหาอะไรนักปฏิบัติเราบางทีบอกเคลิมเคริมแต่ก็รู้นะว่าเคลิมอยู่นั่นก็ใช้ได้้วเดี๋ยวบางทีสติจะปึ้งทา อัตโนมัติเด้งกลับมาเหมือนเดิมสติก็ทํางานเองมันก็แสดงความเป็นอนัตตาเด้งกลับมานั่งตรงเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมอยไปกะเกงอะไรมากเรียนรู้กายกับจิตนี้อย่างที่เขาเป็น จะเรียนรู้ได้ น, นี้จิตใจต้องมีกำลังใจิตใจมีกำลังได้ก็เพราะว่าใจิตใจนี้พ้นจากโลกของความคิดรงแต่งด้วยเครื่องมือความอยู่คัาเนือกับตัวแหลนะแล้วก็รู้จักสภาพใจิตใจที่เป็นปกติบ่อยๆมันก็จะเป็นกำลัง ที่ใช้จิตนี้ตื่นขึ้นมาที่จะเรียนรู้กายกับจิตนี้ต่างเป็นจริงเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องเติมกำลังทุกวัน ก็นั่งแบบที่นั่งอยู่ตอนนี้นี่แหละเดี๋ยวมันก็จเจริญนิัพ ส, สนาเดี๋ยวมันก็เติมกำลังเดี๋ยวมันก็จเจริญนิพพ ส, สนาเดี๋ยวมันก็เติมกำลังมันสลับไปสลับมาเองเราแค่มีเวลาที่จะทำในรูปแบบทุกวัน ทำหน้าที่ใช่ไ้มเรามานั่งด้วยกันแบบนี้เนี่ยเป็นซินดิเค เป็นสิ่งที่หลวงพ่อพูดตลอดหลวงพ่อปฏิบัติทำให้ใครไม่ได้ทุกคนต้องปฏิบัติเองสิ่งเดียวที่หลวงพ่อทำได้คือหลวงพ่อมานั่งเป็นเพื่อน คือความเมตตาของครูบาอาจารย์ทำไมหลวงพ่อถึงบอกว่าหลวงพ่อทำได้แค่นั่งเป็นเพื่อน เพราะการเรียนรู้กายกับจิตนี้เราจะต้องเรียนรู้และรู้แจ้งมันด้วยตัวเองเท่านั้นเราต้องให้เวลากับมันรู้ด้วยตัวเองรู้เอง สังเกตได้ดีพระพุทธเจ้าท่านบารมีมากขนาดไหนแต่ท่านก็ไม่สามารถจะปฏิบัติธรรมแทนใครได้เหมือนกันท่านได้แต่บอกว่าท่านเป็นเพียงผู้บอกทาง เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติเองแล้วก็รู้เองและนี่คือวิธีการสอนของพระพุทธเจ้า ฟุ้งซ่านไม่ต้องพยายามทำให้มันสงบเห็นมันฟุ้งซ่านแล้วอย่าไปต่อกับมันแค่นั้น ใครฟุ้งซ่านม้ลองหายใจออกยาวๆความอยู่กับเนื้อกับตัวมันจะชัดขึ้นใครเบื่อน ให้รู้ไว้ว่าเราาลังคาดหวังอนาคตฝึกที่จะอยู่กับขณะนี้